พระธรรมรเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าวางแผนที่ใจเราก่อนเข้าพรรษาแต่วันออนี้เป็นวันที่20สิบ มิโทนายนพุทธศักราช2557วันพรุ่งนี้จะมีการบวชพระเนะบวชนาคศรัทธาญาติโยมจะมีการบวชนาคทั้งหมดหนาควันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่ย9จะรับนาคลดใหญ่นาคที่จะเข้าพรรษาคงจะรับนาคแล้วก็เมื่อรับนาควันที่ย9แล้วจะบวช นาคแปลว่าบวชนาคเข้าพรรษานะวันที่หกรกฎาคมห้าเจ็ดและก็วันพระใหญ่วันที่ส1บเอ็ดเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่ส2บสองกรกฎาเป็นวันเข้าพรรษาปีนี้นะ่ปีห้าเจ็ดหลวงพ่อก็ได้ไป ทำตาเมื่อวันที่ส8 17, ปดเจ็ดสบปดวันที่ส8บปดตอนสองทุ่มทำตาอยู่ที่โรงพยาบาลกเอกชนโรงพยาบาลสุ ข, ขุมวิทย์อย่างนั้นก็ได้กลับขึ้นมาวันที่19วันที่17บเจ็วันที่ส8 ฉันยังหันแล้วก็ขึ้นมาเมื่อวานวันที่19รู้สึกว่าตาของหลวงพ่อวันนี้เวลาไม่ได้ใส่แว่นกรองแสงไม่ได้ใส่แว่นตาดํามันรู้สึกว่ามันจ้าจ้าผิดปกติมันก็คงจะเป็นเหมือนตาเด็กนะ่ยพราก็เปลี่ยนเลนตาใหม่แต่ตอนนี้พอมันจ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับพยับแดด ทั้งสองข้างเนี่ยอ่ามันจะขยับขยับขยบขยบขยบแต่เมื่อวานเนี่ยก็เดินไปบินทาบาทก็รู้สึกว่าอืมมันจะเซ่ยๆว่างั้นแต่ไม่ถึงกับหกลม้มหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันตามันหลอกเนะี่ยพูดง่ายๆตามันหลอกร่างกายแต่วันนี้ก็ได้บินทาบาทรอบซาลาแต่ดูๆนะวันพรุ่งนี้อาจจะ ไม่บินท่าบาทก็ได้นะแต่ดูดูเหตุการณ์ก่อนถ้าว่ามันดูดูแล้วมันยังไม่เข้าที่เข้าทางค่อยว่ากันเปาะแบบไม่อะไรต่อ บ, บินทาบาทภายในวัดเลยมันก็ดูดูกระไรอยู่อ่อนแอถ้าสับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอ่อนแอวันนั้นคำนี่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะได้ยิน เมื่อพอเราที่จะสู้ได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูสุขภาพแต่ถ้าหาว่าพอไปได้เราก็จะไปแต่ไปไม่ได้เราก็ต้องรู้แก่ใจไม่ใช่ดันทุลังถ้าดันทุลังก็ไม่ดีอีกเหมือนกันถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะรับภาระลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานจะต้องรับภาระให้กับเรา เราจะไปดันทุลังทีเดียวก็ไม่ได้เราจะไปอ่อนแอปวกเปีกยกมีอะไรก็อ่อนแอเกินไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันถ้าขนาดพี่ใหญ่อ่อนแอลูกน้องก็ยิ่งอ่อนไปอีกผลที่สุดก็เลยอ่อนเปียกเสียขาไปทางมัดทางวาอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยสำคัญสําคัญมาก ถ้าหัวหน้าอ่อนแอลูกน้องก็ต้องยิ่งอ่อนกว่าหัวหน้าอีกอเพราะนั้นหัวหน้าต้องเข้มแข็งไว้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าลุงพ่อก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันแต่มนุษยชาติไม่ว่าระดับไหนต้องการความสะดวกสบายทั้งนั้นแหล ะ, ะแต่ว่าความสะดวกสบายนั้นมันเป็นกิเลสหรือมันเป็นธรรม ทำมันไม่เป็นธรรมเราสบายไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียหายถ้ามันสบายเป็นธรรมมันก็อีกอย่างหนึง่งเพราะนั้นเราต้องดูในการบริหารทั้งตัวเองทั้งส่วนรวมให้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยและก็วันนี้เป็นวันพระ ขึ้น8ดค่ำเดือนเจอีกสามอยิหรือว่สามวันพระก็เป็นวันเข้าพรรษาปีนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทัทธายาติโยมลูกหลานทุกคนให้ตั้งใจว่าในพรรษาที่จะถึงที่หลวงพ่อได้กล่าวตักเตือนวันพระแรกแล้วก็ หลวงพ่อได้ไปที่สวนแสงธรรมก่อนที่จะขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้กล่าวตักเตือนญาติโยมทางสวนแสงธรรมเหมือนกันว่าในพรรษาที่จะถึงนี้พรรษา2557ันาเนี่ยที่จะถึงประมาณสักสมอาทิตย์เราจะวางแผนยังไง หรือว่าปีไหนก็ปีเก่ามันผ่านไปก็ผ่านไปปีนี้อายุของเราแก่เข้ามาแล้วเราจะประกอบคุณงามความดีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหรือว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเหมือนกับน้ำไหลลงมาจากที่สูงไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลเราไม่มีการ ที่จะกักตุนน้ําของเราไว้ใช้เลยอย่างนั้นใช่ไหมหรือปล่อยไปอย่างนั้นคำว่ากักตุนคํานี้ก็คืออายุของเรามาปูนนี่แล้ววันคืนเดือนปีมันก็หลายไปแต่ว่าชีวิตของพวกเราเนะี่ยในปีนี้เนะี่ยเราจะกักตุนยังไงเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรเลยเราจะปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราไหลไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะชีวิตหนึ่งปีหนึ่งพวกเราควรจะประพฤติธปฏิบัติธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนาบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในพรรษาที่จะถึงเนี่ยเราควรจะรักษาศีลห้า ผู้มีอายุแล้วนะมีลูกที่จะรักษาหรือจะทำหน้าที่การงานแทนเราได้แล้วเราก็ไม่มีอะไรมีแต่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ควรจะสารวมระวังให้มากขึ้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่ น, นบางคนก็อยากจะกินอาหารดีดีๆให้ถูกปากหามาใส่กิน กินเข้าไปแล้วกัเป็นอะไรอมันก็เป็นอย่างเก่านั่นะถึงอาหารทานดีไม่ดีมันออกไปมันก็เป็นอย่างเก่านั่นแหละเพราะนั้นเราพอเป็นไปได้เราจะไปเห็นแก่ปากแก่ลิ้จนเกินไปมันออน่าจะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาได้แล้วเพราะนั้นการที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องคิดล่วงหน้าไว้แต่เนิ่นๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะปรปปับไปคิดอะไรวันเดียว อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าการที่จะประกอบคุณงามความดีเราก็ต้องวางแผนมีแปลนวางแผนไว้เหมือนกันที่เราจะข่า ก, กิเลสคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงเราจะต้องวางแผนเหมือนกันนะเพราะนั้นการวางแผนชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะทำยังไง ในพรรษาที่จะถึงนี้ฝ่ายพระก็เหมือนกันฝ่ายฝ่ายพระคนเนี่ยในพรรษาที่จะถึงนี้ปฏิโมกของเราได้หรื อ, อยังคือหน้าที่ของเราโดยตรงเราควรจะท่องสาธยายให้ได้หรือสวดมนมต์ทำวัดสวดมนต์พระปริตะมงคลได้หรื อ, อยังเมื่อเราไป จะฐานที่ต่างๆเห็นพระท่านสวดเราได้เรียนได้ศึกษาได้สวดอย่างนั้นได้หรือยังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพระน้อยพระหนุ่มเหมือนกันน่ะจะต้องศึกษาจะต้องเรียนจะต้องท่องบนสาธยายไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ท่องบนสาธยายอยู่เป็นวันๆใช่แต่อยู่เป็นวันให้ภาวนา เอาเทอะในพรรษานี้ครพระเจ้าจะไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดข้าพระเจ้าจะภาวนาอย่างเดียวอานันท์โยกมือเลยเลิศประเสริฐถูกต้องถูกต้องที่สุดถูกต้องกว่าทุกอย่างท่านเราจะภาวนาลูกเดียวไม่ส่งจิตไปทางอื่นละสมเดือนข้าพระเจ้าส่งมาจนพอแรงละสมเดือนข้าพระเจ้าจะให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุด ถึงจะมาฉันหรือจะอดอาหารหรือจะทำอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะพยายามทำให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในสามเดือนนี้อันนั้นเลิศนะยกเป็นผู้เลิศในเลิศประเสริฐถ้าต่ำลงนั้นต่อมาก็นั่นแหละก็มีการท่องบททัตยายแล้วก็มีการภาวนาเร่งเป็นคลั่งคลาว จากนั้นก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นพื้นฐานแต่ถึงยังไงพวกเรามาอยู่ที่นี่ให้คิดว่าเรามาเพื่อส่งเสริมเราไม่ได้มาเพื่อกดทวงปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวอย่างไรเราก็ต้องฟังต้องดูดูปฏิปทาของท่านไม่ใช่มาแล้วก็มาโทรศัพท์เดินปุ้นเปียนเป็นอยู่ในวัดไม่ได้นะหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไล่ออกจากวัดนะ ใครมาใช้โทรศัพท์อยู่ที่นี่นะใช้ก็ต้องรู้จักประมาณไม่ใช่ว่าใช้ทั้งวีทั้งวันคุยกันทั้งวีทั้งวันไม่ได้นะเห็นไหมหลวงพ่อพาปฏิบัติยังไงอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกถ้าเราจะมาโทรศัพท์ห่วงโทรศัพท์เราจะมาบวชทำไมมาบวชเพื่อมาละสิ่งเหล่านั้นมาดูตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะมาทาเรื่องที่ จะทำให้ทวงทั้งที่อยากจะมาอยู่วัดปูบายอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเข่งคลัดในหลักธรรมวินยัยตัวเองกลับมาทวงมาเอาขาลาน้ำอย่างนี้มันถูกไหมล่ะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราผู้ได้รับการศึกษาทุกองค์ผ่านโลกมาแล้วได้รับการศึกษาดีมาแล้วสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนถูกต้องไม่ถูกต้องสิ่งไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมสิ่งไหนเป็นวินยัยไม่เป็นวินยัย พวกท่านทั้งหลายควรจะสานึกควรจะรู้ได้นะไม่ใช่ว่าจะบอกการเรียนถึกเตะคอไก่พอเขาบอกพระเก่าบอกครูบาอาจารย์บอกนึกโมโหชุนคือมาในใจอย่างนั้นเราจะมาทําไมเราจะมาอยู่ทําไมมาอยู่ให้หนักวัดเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้สำนึกไว้ถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะหลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อไม่พูดก็ไม่มีใครที่จะพูดนะ แต่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองให้สํานึกเคิดเรามาอยู่เพื่ออะไรมาอยู่ที่วัดของเราเพื่อการศึกษามาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อภาวนามาเพื่อลดละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่เป็นครวญญาติโยมเรธรรมมาแล้วมาบัดนี้เราสละทิ้งทั้งหมดซะก่อนสามเดือนไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน ถ้ามันจะเสียหายเราจะมาทําไมอเราก็ไปเอาทางนน้นซะก่อนเอาจนมันเบื่อซะก่อนยังค่อยเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วจะมาอยากทําไมมันเบื่อแล้วนะเบื่อเบื่อยากๆอ ย, าก อ, ยากอย่างนั้นเหรออยู่เป็นฆราวาสก็เบื่อใช่ไหมเข้ามาบวชพระอยากอีกอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยแหละเราต้องรู้หน้ากิเลสกนะิเลสของเรามันออกมาลักษณะอย่างนั้นดูมันดูหน้าของมันนี่คือความไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ ที่พูดทรงนี้ทางนั้นหลวงพ่อเน้นหนักในหลักธรรมพไน่นยกดระเบียบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก่ ะ, ะย่ยงสันโดษมักน้อยเทียบง่ายสอนลูกศิษย์ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่าไปพุมพ่มเฟื้อพุ่มเฟืยลืมตัว อ, อ, อวดตัวขี้คุยขี้โม่ กี้อวดไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นพระต้องรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นพระมักน้อยสันโดษอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนี้ก็คือฝ่ายพระนะฟังเอาไว้นะกัตะ ท, ะทายาตโยมหลวงพ่อสอนพระต้องสอนอย่างนี้นะแล้วก็ญาติโยมก็เหมือนกันก็ให้อยู่ในหลักศีลหลักธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเรา ถ้าพวกเราหย่อนจากศีลห้าแล้วนะไม่ว่าข้อใดละแปลว่าเราหย่อนจากศีลธรรมถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ออยู่ในศีลห้าหลักศีลห้าเนี่ยแหะเป็นหลักมาตรฐานของคนดีถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ในศีลห้านั่นแหละคนดีคนดีไม่ต้องพูดถึงหรอกคนดีคนไม่ดีนะถามตัวเองรู้แก่ใจว่าค้ามีศีลห้าไหม ถ้าว่าข้าขาดศินห้าเนะ่ยข้าเนี่ยเริ่มเร็วแล้วนะนะสอนตัวเองได้นะศินห้าเนะี่ยคืออะไรหลวงพ่อก็เคยพูดให้ฟังมากต่อมากจากนั้นก็ศินแปดสินอุโบสถนะแต่สินอุโบสถนะเป็นบุคคลชั้นเลิศเข้าไปแล้วนะทีนี้คล้ายๆว่าเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทางด้านจิตใจแหละถ้าศินอุโบสถศินแปดนะถ้าศินห้าแปลว่าสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย อันนี้เปลว่าสินห้าแต่ศิลอุโบโสถศินแปดนี่ยแคว่าดูใจของตนเองนะใจมันกระเพื่อมอย่างไรเวลามันหิวอาหารน่ะมันคิดยังไงเนเวลามันไม่ได้ล้อมรำทาเพลงไม่ได้ฟังเพลงฟังรามันคิดยังไงเนีเวลาเราไม่ได้นอนที่นอนถูกใจที่พักผ่อนนอนของเราไม่ได้อย่างใจของเราเคยพักผ่อนนอนมาแต่ก่อนมันเป็นอย่างไง อันนี้มันดูเรื่องของใจนะเริ่มดูเรื่องของใจก็คือศิลอุโบสถนะแต่เรื่องศินห้านะี่คือสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยส่วนศิลอุโบสถตั้งแต่ศิลหกสินเจ็ดสินแปอันนั้นคือเริ่มดูใจดูความกระเพื่อมของใจดูความไม่พอใจของใจความติดยึดของใจความสะดวกสบายของใจความลุ่มหลง ติดสุขของใจใจถึงแต่จะติดสุขขนาดไหนก็เถอะกินอาหารอร่อยขนาดไหนก็เถอะฟังเพลงดีขนาดไหนก็เถอะอยู่ในที่อ่อนนุ่มนอนสะดวกสบายขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะเธอเขาจะต้องเข้าไปในหีบเล็กๆ ก, กล่องเล็กๆกว้างสอกยาววาเท่า น, นั้นแหละกว้างสอกยาววานะคืออะไร คือหีดศพนะก้าว่างศอกยาววานะ่นั่นแหละเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแคบเพราะนั้นอย่าไปหลงว่าตัวเองจะมีความสุขนะอีกสักวันหนึ่งจะไปนอนอยู่ตรงนั้นนะสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ให้ไกลๆคิดไว้ให้รอบด้านรอบทิศนะจากนั้นเราจะไม่หลงไม่ลืมตัวเราอยู่อย่างไงวางตัวอย่างไงปฏิบัติตนอย่างไร เป็นศีลเป็นธรรมทั้งนั้นทีนี้ เ, เพราะอะเพราะเราไม่ลืมตัวนะถ้าเราลืมตัวแล้วก็คนะ่าเป็นใครค่าต้องยิ่งใหญ่ค่าเนี่ยร่ำรวยกว่าใครทั้งหมดค่าไม่เคยง้อใครเงินของค่าหามาได้ค่าใช้เองค่าไม่ยอมใครง่ายๆค่าไม่แพ้ใครทั้งหมดนะนั่นแหละอันนั้นตัวนั่นแหละแพ้ใครละ่ะ อีกสักวันหนึ่งก็ต้องแพ้ยมมาทูดเหมือนกันนะอืมพยาอยมพญามัททุราชต้องแพ้แน่ๆไม่เ ป, เป็นอย่างอื่นอย่าไปโอหังกันแล้วกันออย่าไปโอ้อวดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นให้เตรียมพร้อมเตรียมกายเตรียมใจเอาไว้เมื่อพยามัทุราชออกไปแล้วเราจะไปที่ไหนจุดนั้นแหละเราจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเราจะไปที่ไหนเรามีที่ไปแล้วยัง เป็นที่อุ่นใจและอย่างสิ่งเหล่านั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิด ใ, ใช้ปัญญารอบคอบเพราะว่าหลักทำคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะให้ใช้ติให้ใช้ปัญญาความรอบคอบนะอย่าไปใช้แบบศรัทธาอย่างเดียวใช่ศรัทธาเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องปูพื้นฐานนะมีศรัทธาซะก่อน ถ้าคนไม่มีศรัทธาเลยมันเดินไปอย่างอื่นไม่ได้นะเหมือนเรมเรียนกอไก่อย่างนั้นอ่ะถ้าเรียนกอไก่ไม่ถึงฮอน์นคูกเราจะ อ, อาหารอะไรจะบวกลบคูณหารอะไรมันไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละพอเราไม่รู้เบื้องต้นนะถ้าจะเรียนเลขลเรต้องเรียนตั้งเลทหนึ่งซะก่อนจนถึงเลข10บนะแล้วยังค่อยว่ากันอย่างอื่นถ้าเป็นหนังสือก็เราต้องเรียนกอไก้ซะก่อนยังไปอย่างอื่น อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีเป็นพื้นฐานคือฐานศีลภาวนาเนะี่ยเป็นพื้นฐานที่แรกนะต่อไปก็ก้าวเดินไปเรื่อยๆนะรับพรนอนะโมทนาให้พร